สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยหกสิบสามตอนบ่าวที่รู้สำนึกพระจนาของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดนะครับลูกาบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบหกจนถึงข้อที่ห้าสิครับโปรดฟังพระจนาของพระเจ้ามีคนหนึ่งในพวกฝาริสีเชิญพระองค์ไปสวยพระกยายหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีนั้นแล้วเอ็นทักกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอง็นทักกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นานางจึงถือพระอบน้ํามันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ําตาเอียกพระบาทเอาผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นฉโลม ฝ่ายคนฟรีสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านนี้เป็นผู้เผยเพระชนะก็ ค, คงจะรู้ว่าหญิงกู้นี้ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะานางเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าซีโมนเอย๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าคะเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่า เจ้านี่คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเหรียญเดนาบิอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าสิบเหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจิงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าถ้าพระเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากก็เป็นคนที่รักนายมากพระองค์งจึงตรัสกับเขาว่า ท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและกรัดกับซีมโมว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้ให้น้ําล้างเท้าของเราแต่านางได้เอาน้ําตาชําระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราท่านไม่ได้เอาน้ํามันชโลมศีรษะของเรา แต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงจตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนอยู่ด้วยกันพูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้ พ่องหญิงจัดแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดเป็นครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่บรรยายถึงการที่พระเยซูประทับอยู่ในบ้านของคนฟาริสีคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และหัวใจที่อยู่ตรงนี้ในเครื่องเสบบอุ ป, ปมาผู้หญิงคนหนึ่งในเมือง น, นี้ซึ่งมีชื่อเสียงไม่ดีครับเพราะว่าบางทีบอกว่าเธอเป็นหญิงชั่ว ได้เข้ามาในบ้านของซีโมนและเอาน้ามันหอมราคาแพงมาชโลมพระบาทของพระเยซูพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีคงจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะดังนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับของคนแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงชั่วก็ตามถึงจะเข้าในบ้านของตอริสีได้และพระเยซูก็ได้ทราบความคิดของซีโมนครับที่เป็นตอริสี ซีโมนไม่อยากจะเชื่อว่าพระเยซูจะยอมให้หญิงคนบาปแต่ต้องพระองค์ซีโมนและพวกฟาริสีเพื่อนๆของเขาไม่เคยคิดจะพูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะแต่แปลกนะครับว่าทําไมผู้หญิงคนนี้จึงเข้ามาในบ้านของซีโมนได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์กันส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นก็ตามครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านของซีโมนคนฟาริสีจริงๆแล้วพระเยซู ทรงทราบทับว่าซีโมนอาจจะไม่ต้องาการให้คนบาปเข้ามาในบ้านของเขาเลยแต่พี่น้งครับในที่สุดชีวิตของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่โด่งดังมากเพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูเล่าคำอุปม า, าเกี่ยวกับลูกหนี้สองคนครับเป็นลูกหนี้หรือเป็นบ่าวที่รู้สำนึกลูกหนี้สองคนนั้นคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าร้อยเดยนารีอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ เจ้านี้คนเดียวกันห้าสิบเดนเดนาริอันเราจะเห็นได้ใครับว่าคนหนึ่งเป็นหนี้มากครับถึงสิบเท่าในข้อที่สี่สิบสองนั้นทั้งสองคนไม่สามารถใช้หนี้ได้ในที่สุดเจ้าหนี้ก็เลยอาภัยให้กับเขายกหนี้ให้ทั้งคู่พระเยซูก็ถามซีโมนคนปาริสีว่าคนไหนจะรักนายมากกว่ากันซีโมนตอบพับในข้อที่สี่บสามบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากนั้นก็ เป็นคนที่รักหมายมากพระเยซูก็สอนต่อไปครับเพื่อเป็นตัวอย่างกับซีโมนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปได้แสดงความรักต่อพระองค์มากกว่าซีโมนคนทรอยสีนะครับซีโมนคนทริสีนั้นยังไม่เคยล้างเท้าของพระเยซูเมื่อพระเยซูมาที่บ้านของเขาความจริงแล้วนี่เป็นกฎข้อหนึ่งครับในขณะที่เป็นเจ้าของบ้านถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านในสมัยนั้นคุณจะต้อง เตรียมน้มําสาหรับล้างเท้าของแขกเสมอพระเยซูตรัสกับสีมุนว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปขอ ง, งานางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะานางรักมากแต่ผู้ที่รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพวกฟริสีคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมครับพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่รักษาทำรักษาบัญญัติทุกๆข้ออย่างระมัดระวัง แต่พวกเขานั้นมือถือสากปากถือศีลก็คือพวกเขาไม่เคยแสวงหาความเมตตาหรือความรักแสดงความรักนะครับแสดงความรักต่อผู้อื่นเลยเปียสุทรงเล่าคําอุปมานี้เพื่อให้ซีโมเห็นว่าเขาขาดความรักความเมตตานะครับตลอดทั้งเรื่องนี้ครับพระจากเปรที่ใช้คําว่าความรักนั้นก็คืออาตับปเปครับคําคํานี้เป็นคําที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งมากเป็นความรักชนิด ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักชนิตเสียสละเป็นความรักที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเลยพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ครับและไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรักที่พระเยซูต้องการให้เราแสดงต่อคนอื่นผมอยากจะสรุป บ, บทเรียนสาม บ, บทเรียนนะครับโดยตั้งคําถามว่าทําไมบางคนรักพระเจ้ามากกว่านะครับ เหมือนกับในข้อสิบสอบบอกว่าพระเยซูถามว่าคนไหนจะรักนายมากกว่าคำตอบก็คือคนที่รู้สำนึกแห่งรู้สำนึกแห่งพระคุณของพระเจ้านะครับคำว่าสำนึกครับเป็นคำที่กว้างขวางและลึกซึ้งภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่าเซน s ์นะฮะสามังสำนึกก็คือ common sense มีคนพูดบอกว่า common sense is not common ก็คือว่า สามัญสำนึกนั้นมันไม่สามัญแปลกงงใช่ไหมครับก็คือว่าสามัญสำนึกนั้นมันเป็นเรื่องราวที่โดยนิยามของมันแล้วก็คือว่าทุกคนจะต้องรู้ทุกคนจะต้องมีนะครับแต่บางคนไม่มีครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า common sense is not common เราทั้งหลายที่เป็นเพื่เสียนั้นเราได้รับการช่วยเหลือการยกโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมี sense ก็เราต้องมี common sense หรือสามัญสำนึกแห่งการขอพระคุณพระเจ้าเพราะคนที่รู้สานึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจะมี common sense แห่งการขอพระคุณเพราะฉะนั้นที่เป็นบทเรียนแรกครับในค้าวันนี้ก็คือถ้ายิ่งเรารู้ว่าเราเวลวเราแย่เราอ่อนแอเราใช้การไม่ได้เราเหมือนคนที่เจ็บปวดบาดเจ็บเราแตกร้าวจิตใจเราแตกสลายเราถูกกระทําไม่ดีจากคนอื่น มีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่หยุดทําไม่แฟเกิดขึ้นเราเป็นคนที่หลงทางเราเป็นคนที่หลงหายเราเป็นคนบาปนักหนาเราไม่สมควรและพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าให้โอกาสที่สองกับเราและพระเจ้าดึงเราขึ้นมาจากเลนจากโคนจากตมขึ้นมาแล้วก็โปรงเปลี่ยนแปลงเราใหม่เหมือนกับโปรงชุบตัวเราใหม่ครั้งนึงแล้วให้เราเป็น เป็นบริวารเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เรายิ่งต้องมีเซนส์แห่งการขอบคุณเราต้องมีสํานึกแห่งการขอบคุณและเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อย่างไรแล้วพระเยซูช่วยเราอย่างไรช่วยเรามากมายขนาดไหนเรายิ่งเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับจะมีเซนส์แห่งการขอบคุณพระเจ้าผู้หญิงคนนี้นั้นม่ได้อายนะครับ ว่าสายตาของพวกฟอรีสีที่จับจ้องนางอยู่และการพิพากษาของสังคมที่พิพากษาว่าเธอเป็นหญิงชั่วแต่เธอรู้ครับว่าเมื่อมหาพระเยซูเธอจะได้รับการให้อภัยการยกโทษเธอรู้ครับว่ามหาพระเยซูแล้วสิ่งต่างเหล่านั้นโดยการสารภาพบาปโดยการเสียใจโดยการขอบพระคุณพระเจ้าโดยการรู้สํานึกเธอจะได้รับการช่วยเหลือและให้อภยัยบทเรียนที่สองครับ เราเจ็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แคร์ไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมแต่ผู้หญิงคนนี้มาถึงบ้านของซีโมนคนฟาริสีผู้หญิงคนนี้เอาแต่จุดเท้าของพระเยซูเอาผมของตัวเช็ดเอาน้ำตาของตัวชําระเท้าของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซู บ, บอกว่าความผิดบาปขอ ง, งานางซึ่งมีมากได้โปรดยกโทษเสียแล้วานางนั้นรักพระเจ้า ทั้งสมองและหัวใจครับเธอรู้ครับด้วยสมองของเธอเยอเข้าใจเธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใครเธอรู้ครับว่าเธอจะต้องตอบสนองพระเยซูมีสำนึกแห่งการขอบคุณอย่างไรในที่สุดที่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตื้นตัน a อ p r e c i a เ e ชในสิ่งที่พระเยซูกำลังจะทางกับเธอก็แสดงออก ในลักษณะของไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมคืออะไรครับคือไได้หยุดจูบเท้าของพระเยซูพี่น้องครับใครไม่รักพระเยซูไม่เป็นไรแต่ผมรักแต่ท่านรักคุณและผมเรามาคนมีบัตรพระเยซูดีไหมครับแล้วมาจูบเท้าพระเยซูดีไหมครับนี่คือเป็นบทเรียนที่สองคือรักพระเยซูทั้งที่สมองและทั้งที่หัวใจบทเรียนก็ประการที่สามก็คือว่า เราเห็นความรักของพระเยซูที่มีต่อพวกฟาริสีและหลายครั้งนะครับเรามีความรู้สึกว่าพระเยซูเลือกที่รักมักที่สั่งเกลียงพวกฟาริสีจริงๆเลยแต่ในพระมปีได้พูดถึงฟาริสีคนซีโมนซีโมนคนฟาริสีคนนี้ครับพระเยซูเชิญเข้าไปในบ้านของเขาสวยพระกายาหารกับคนฟาริสีทีน้องครับพระเยซูเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอ ที่เป็นคนบาทปนนบาที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาปที่รู้ตัวเขาต้องการพระเยซูที่รู้ตัวว่าเขาต้องต้อนรับพระเยซูเราเห็นว่าพวกปริสีนั้นในมัทธิวบทที่ยี่สิบสามบอกว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาดด้วยปูนขาวดูภายนอกงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัด โ, โครกพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับคนตาบอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ปรมาสเขา แต่เปเยชูรู้ครับว่าใครเป็นคนที่ถ่อมใจใครเป็นคนที่จะได้รับความรอดเปเยชู ป, ปลอบาจเขาไปสยชูเข้าไปในชีวิตของเขาเป<ะ>็นครับไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความรอดเมื่อเขาเปิดใจซิโมนฟาริสีคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเปเยชูเสด็จเข้าไปถึงบ้านของเขาครับและมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้และในที่สุดนั้น เขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ว่าความเชื่อของเจ้าหมายถึงของผู้หญิงคนนี้ทําให้ผู้หญิงคนนี้รอดจงไปเป็นสุขเถิดนี่คือความรักของพระเยซูครับรเยซูรักบริสีด้วยเหมือนกันพระเยซูรักคนบาปพระเยซูรักพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะตอบสนองกับพระเยซูอย่างไรในชาติวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อและรู้สํานึกถึงพระคุณของพระเจ้า และเราจะไม่หยุดจูดเท้าของพระองค์เลยพี่น้องครับใครที่รักนายมากที่สุดก็คือคนที่รู้สานึกว่านี่เราเองนั้นไม่สมควรแต่นี่คือพระคุณของพระเจ้าเพราะเราไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าก็ยังหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้มาให้กับเราเราจะตอบสนองพระองค์อย่างไรครับขอพระเจ้าช่วยเราในการตอบสนองพระองค์ให้ถูกต้องอาเมน